อ่าลองทํากันเลยนี่ถ้าเรามาฝึกหัดวิชากับบัณาน สอนกายสอนใจให้ใช้งานได้ถ้าเราสอนกายสอนใจได้ก็เป็นมรรคผลานถ้าเราไม่หัดไม่สั่งสอนกายใจของเราก็ไปสู่พวกปุ่มต่างๆตกต่ำอบายไม่เจริญชีวิตถ้าไม่ ศึกษาไม่ลผลต้นเดงนไปสู่บภบมว์เท่ากับขนของโคไปสู่สวนนิพพานเท่ากับเขาของโคเราจะมีค่าก็าต่อมื่าเราฝึกหัดโดยวิชาก ร, รมฐาน วิชากรรมฐานนี่ทาให้เกิดเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาจากสามัญชนจากปุถุชนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้โดยจึงมีค่ามากคิดของเราที่ได้มาเมี่อายมีใจ ศึกษาตึกเหตจนเห็นรูปธรรมนามธรรมตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เห็นเราจะเข้าไปโง่ไม่ฉลาดความทุกข์ทำให้หลงโง่ความหลงทำให้หลงโง่ความโกรธทำให้หลงโง่ได้ถ้าเราศึกษากรมฐานมันจะฉลาดตรงนั้น ความทุกข์วงโกรธความโลภความหลงทำให้เราฉลาดใช่ความทุกข์วงหลงความโกรธมไม่เที่ยงเป็นมกนุฎในผานได้วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็มีวิชานี่เป็นคู่ชีวิตของเราอุ่นใจพูมใจ ที่เราไม่กรรมฐานทำอย่างอื่นไม่มีทางไม่มีทางที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลได้เช่นกรังเทศมหาชาติสิบสองกันพันพระคาถาจบได้เป็นวัฏยะบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่ง เราเคยได้ยินปฐมมุสมโพธเราก็ได้ฟังเทพมหาชาติไม่รู้ว่าจีข้างจีหนจนถึงกันสุดท้ายสิบสองกพันพระคาถาชัตตะกัดชัตชัตชักตะกัอะไรหกสัตเข้าเมืองเจริญพระเทสันดอน ก็สีกันหาชาดีพระเจ้ากงสนชัยก็นางพุทธศรีห้องหกเกษตริย์พบกันผลโบกกระพัดตกลงมาอผู้ใดประสงค์จะเปียกก็เปียกผู้ใดไม่ประสงค์จะเปียกก็ไม่เปียกพอเทศจบ ก, ก็มีผลโบกกระพั ตกลงมาโดยเอาใบบัวใส่น้ำเขียนไว้แล้วก็จะเอาเอาไม้ไปตีใบบัวให้น้ำให้มันแตกน้ำก็เด้นไปสู่คนฟังเ้ียวาผลโบกกระลาพันเราก็นึกว่าเราด้ยบุญก็ไม่ ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงแปลงทำบุญทำทานรักษาชิ้นก็ทำอยากได้บุญแต่ไม่รู้จกบุญขัวบาปแต่ไม่รู้จกบาปจนเราก็เลยเรียนในอ่านว่า สียให้เกิดบุญมีธานาุใมยสิ่งที่ให้เกิดบุญมีศิลธรรมใหม่ธาตเราก็ได้ทำศิลธใหม่เราก็ได้ปฏิบัติไม่เคยทำบาปทำกรรมตามข้อบัญญัติของศิลภาวนาใหม่นี้เราก็ได้ทำ นึกว่าพุทโธพุทโธเป็นภาวนาจนทำพุทโธนจนชีวิตทั้งชีวิตมีแต่พุทโธเกี่ยวข้าวก็พุทโธปักดำนาคุทโธจอบจบขุดดินลงไปก็พุทโธนวดข้าวก็พุทโธทำไรก็พุทโธจนติด ก็ไม่รู้จักวญจักบาปเจนได้ยินจิตตจสับหลงวงพ่เทียนสอนให้รู้จักวญจากบาปได้รู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์รู้จักศาสนาพุทธศาสานาได้โดยวิชากวรมฐานจึงแต่เปตแต่ปะไปหาหลงวงพ่อเทียนเนี่ยไอ้ยส น, นข้าปีโสนข้า แล้วก็สอนเรายกมือสร้างจังหวะแบบ่เราทำอยู่นี่ย่ะแล้วก็ฝึกบางแบบพุทธโธนอกตัวตรงท้าทางรีแต่เราจะมายกมือเนี่ยค่ายว่ามันไม่สุภาพก็ไม่อยากจะทำนะถ้าเมันติดพุทธโธมากติดความสงบ มันก็มีความสุขเวลาออกจากความสงอบออกจากความกรรมฐานแล้วกว็เหมืนอนเดิมเหมือนหินสีเหลาทับย้าเอาญ้าเอาเหินออกยาก้าก็เกิดขึ้นมาจนฝืนตัวเองให้ทํำ <c oughs> ก็เทียนจับมือจะเอาจริงไหม คิดว่าจะแข่งกับหลวงพ่เทียนด้วยแต่ความจริงหลาไม่ใช่ถ้าเอาจริงก็ต้องทำแบบนี้ทำแบบอื่นเราไม่รับผิดชอบถ้าเอาจริงจริงอ่ะทำแบบนี้ยกมือเคลื่อนไหวสร้างจังหวะเนี่ย รไ ด, ตดต้ตัดทิงใจหอมอมแวมันก่อแล้วนหลุดเข้าไปอันเก่ายกมือไปยก ม, มามาหลุดเข้าไปสงบออกเคื่อนไห้ออกมารู้สึกตัวเข้าไปจนว่าชํำนาน ชำนาญในความู้เวลามันหลงไปกลับมาลู่มันก็ขยันหลงเราก็ขยันลู่งั้นขยันจะสงบเราก็ขยันลู่คนละทิศละทางกันเดินจงกรมอยู่มันคิดไป ม, มันสงบลู่ขึ้นมาก้าวมันก็ไม่อยู่น่ะเคลื่อนไหวก็ไม่อยู่เนี่ยทําไมจะไม่ลู่เรามาเดินจงกรมให้มันลู่เน่ยเราก็ต้องลูเรื่องนี้ ไปล้วนื่นไปสงบมันไม่ใช่งานของเรากรรมาฐานการกระทำแบบนี้จึงมาเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเดินเห็นรูปมันเดินเห็นความรู้สึกตัวที่มันก้าวไปเห็นรูปทำเห็นนามทำจึงมาแตกฉานในรูปในนาม ได้ความเฉลียวฉลาดได้แหล่งความรู้รูปมันบอกนามมันบอกมันคืออะไรเนี่ยกรรมฐ า, านสามารถทำไมทะลุทะลวงสิ่งที่ไม่รู้ทำไมเกิดรู้แจ้งขึ้นมาสิ่งที่ไม่เข้าใจทำไมเข้าใจขึ้นมาต่อเห็นรูปเห็นหนามก่อนมันมันกระจุยกระใจกระค่ายกะว่า ไปฆ่าก็บ้ามันบอกเรานี่คือความไม่เที่ยงนี่คือความเป็นทุกข์นี่คือความไม่ใช่ตัวตนนี่มันบอกนี่คือธรรมชาตินี่คืออาการเหลินเจากก้ากบมันน่วยมันปวดมันเมื่อยนี่คืออาการไม่ใช่รูปอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับรูปมันเป็นธรรมชาติเป็นอาการไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นอย่างนี้ใครก็เป็นอย่างนี้ไม่กินข้าวก็หิวกินเล้าไมถ่ายมันก็ไม่ได้ไม่หายใจก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติเป็นการของรูปก็แต่ฉานไปในน้ำน้ำมันคืออะไรคือจิตใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับกจิตใจต่อรัจอมความโกรธความโลภความหลงความรักความชางังอะไรต่างๆ ี่เลสตันหาล่ะคะเป็นอาการของนามไม่ใช่นามมันเกิดขึ้นนั่นเหมือนเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแต่ขันไปแต่ขันไปนะมันบอกเรูกมันบอกนามมันบอกได้ปัญญาเพราะเห็นรูปเห็นนามนั่นันลูปมันใชโด้วยเฉยๆมันก็ สิ่งที่ไม่รู้หลนไปโลนไปหลนไปนะไม่ต้องทำอะไรมันมันบอกเลยมันตกแหลงตกแหลงแข่งความรู้เหมือนเราทำงานตกแหลงแข่งความสะดวกสบายแล้วก็เกิดความสะดวกไม่ยากเหมือนจริงคกหลงเขามันบอกเรา วิชากรรมฐานเป็นวิชาที่จะหลงที่ย่อยเปลี่ยนลายเป็นดีได้จีิเคยทุกข์ก็ไม่ทุกข์จริงที่เคยหลงไม่หลงสริงได้เคยโง่ไม่โง่เห็นสู้มุดเห็นลูกทุกข์เห็นนามทุกข์เข้าไปด่เห็นลูกทุกข์เห็นนามทุกข์ที่มาเกิ อ, อยู่กับลูกสงสารลูกไม่เคยชั่วเหลือลูก พอให้ลูกเป็นทุกข์ทุกข์ก็เป็นทุกข์อะไรที่มันเกิดเป็นทุกข์จากลูกมากมายเอามาเป็นทุกข์ร้อนก็เป็นทุกข์หนาวก็เป็นทุกข์หิวก็เป็นทุกข์ปวดก็เป็นทุกข์นึกว่าตัวว่าตนเพราะไม่เห็นธรรมชาติเหตุการณ์ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นทุกข์เป็นเรื่องปิดปัญญา เห็นความหิวเป็นปัญญาชื่นใจไม่ไม่ทุกข์ไม่กังวลเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับโูกมีแต่ความไม่แต่ปัญญารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วตอบคำามเดี๋ยวคือรู้แล้วรู้แล้วไม่มีองินเลยนี่ขวามไปเที่ยงรู้แล้วนี่ขวางไปทุกข์นู้แล้วนี่ขวางไม่ใช่ตัวตนรู้แล้ว อยไหนเป็นทุกข์สิ่นั้นไม่ใช่ตัวตวนจิตใจไม่ใช่ตัวตนไม่ควรประยึ์ว่าเป็นเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราดังที่เราสวดพระสูติสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมี่แล้วหายไป สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้นแล้วเจเจ็บตายไปะไปัพเพธรรมาสังขารสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ขวรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเราก็เราก็เห็นไปํำลองเนี่ยก็เลยโบโบ ถ้าเป็นใจก็ใจดีกว่าเกา่าใจดีกว่าเกา่าร่วงพ้นภาวะเกา่าได้เป็นทุกข์ก็ทุกข์ก็หลุดออกไปหลายอย่างสิ่งที่เคยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์ความทุกข์หลุดไปนะถ้าเห็นแหละไม่ใช่เห็นแล้วมันมันไม่มีประโยชน์เห็นแล้วมันมีประโยชน์ สิ่งที่เห็นมันก็พ้นสิ่งที่เห็นไม่เข้าไปเป็นเมื่อกับเราเห็นงูพ้นจากงูเห็นทุกข์พ้นจากทุกข์เห็นความหลงพ้นทวงหลงเห็นกวไม่เที่ยงพ้นควมคไม่เที่ยง <c oughs> มันก็นี่ประโยชน์ความทุกข์หมดไปความหลงหมดไปเห็นสมุทัยเห็นบัญญัิ ความพอใจค้ ม, ม้พอใจมันเป็นสมมุติมันเป็นบัญญัติก็าชอบว่ามันชอบไม่ใช่สัจธรรมแล้วถอนสมมุติออกมาเบาเวลาที่มันกูกนคนคิดเห็นมันคิดถอนความถอนถอนถอนความรู้สึกออกมา่ายถลำมข้าไปอยู่ในความคิด มันมีโอกาสฉะลาตนด้วยถ้าจะเปรียบเหมือนกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ถ้าจะเหมือนกับคลนเมฆนั้นก็จะมังดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ได้แต่ถ้าจิตของเราเนี่ยที่เรามสมิเนี่ยมันไม่สามารถที่บังได้เลยเปลี่ยนได้ทุกการมี มีความรู้ได้ทุกโ อ, อกาสไม่มีความหลงมีแต่ความรู้ได้ทุกโ อ, อกาสในเวลามันหลงยิ่งมีโอกาสรู้ได้ดีที่สุดมีรสชาติถ้ามันหลงแล้วรู้มีรสชาติถ้ามันทุกข์แล้วรู้มีรสชาติถ้ามันโกดดรธแล้วรู้มีรสชาติมีรสชา ต, ติตรงนั้นด้วยน่าจะเปรียบเหมือนเรานั่งเครื่องบิน เวลาเครื่องบินไม่ไม่มีคลื่นมันก็ไม่มีรสชาติอะไรเวลาเครื่องบินเจอคลื่นเขามันก็กระดูกกระดิกเออมันก็ดีหน่อยมันก็เราไม่นั่งอยู่เฉยๆเวลาเหมือนในเวลานี้เรานั่งอยู่หัวใจมันก็ไม่รู้อะไรถ้านั่งบนรถก็มันก็ผ่านโน้นผ่านนี่เห็น ลักษณะความรู้สึกนั่งเครื่องบินเวลามันมีคลื่นก็รู้สึกว่ามันผ่านอะไรจะมางอย่างไปข้างหน้าบ่าถ้ามันไม่มีคลื่นมันเกิดนั่งเฉยๆมันไม่ไปไหนความทุกข์มันทำไมพุ่นมันไปความหลงทำไมเลพ่นมันไปมันบ่งบอกที่ว่ามันพ้นไปแล้วมันหลุดไปแล้ว ปันหาต่างๆพ้นไปแล้วเป็นปัญญาเพราะมันภาวมะที่เห็นเห็นสมมุติเห็นบันยัติเห็นวัตถุเห็นอาการตาก็เป็นวัตถุกายก็เป็นวัตถุใจก็เป็นวัตถุหูก็เป็นวัตถุกายก็เป็นวัตถุกายมันก็ต้องมีอาการหูตาจมูกทิ้นมันก็ต้องมีอาการวัตถุอาการ เห็นเปรลมัดเปรมัดไม่มีอะไรวันหยาดได้มันเป็นมันเป็นจริงอยู่นั่นความทุกข์ก็จริงแบบทุกข์แต่มันไม่จริงแบบไม่ทุกข์ความเป็นเที่ยงก็จริงแบบไม่เที่ยงแต่มันไม่จริงแบบความเที่ยงความโกรธก็จริงแบบความโกรธแต่ไม่จริงไม่จริงเหมือนกับความไม่โกรธมันตรงกันข้ามไม่จน แต่ก่อนเคยจนพระความทุกข์เคยจนพรความโกรธความหลงความทุกข์ความโกรธความหลงความโลภมันเป็นสมมติปัญญัติมันไม่เที่ยงถ้าความไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงเป็นปรมตาจั จ, จะมันมันมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ได้ชีวิตมีที่อยู่ได้ที่ ได้ที่ตั้งไม่หวันไวย่จะจะเหมือนที่พึ่งกับพึ่งรู้จักศาสศาสนารู้จักพุทธศาสนาศาสนาศาสตคือคนคนแน่มีทุกพุทธศาสรสนาคือปัญญาออกจากทุก์ถ้ายังมีทุกไม่โกรธไม่โลภไม่ลงอยู่ไม่มีศาสศาสนาเลย ใจก็เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปจนจนสามารถจกมือไหวตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนไปจนถึงตึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่พ่อแม่ให้เราเกิดมาเพื่อรู้เรื่องนี้ที่เราทําบุญํทาทานมีใจมิใจก็เพื่อเรื่องนี้นั่นก็มีปิติบ้าง โอ้ววมันเบาไม่เหมือนก่อนตรงพ่นเพราะวะเดิมต่างเขาแทบจะบอกว่าเป็นพระก็ได้นะ่ะพระคือลักษณะแบบนี้เป็นอินเป็นพรมก็ได้มีคุณธรรมจะปิดอบายก็ได้ปิดอบายให้พรมได้เด็ดขาด เปิดที่ลูกเก๋าจนลุกเดชชันไปิดได้เด็ดขาดเพราะอำไมเพราะเราเห็นมันเหมือ น, นคนที่เป็นผู้ใหญ่แต่ก่อนเป็นเด็กเห็นชี้โคลนก็ลงเล่นที้โคลนได้ก่เป็นผู้ใหญ่มันกนลงไปไมารมดาจกปกแล้วก็ลงพ้นเพราะว่าอันตราย ไผ่ทั้งหลายหมดพอยพ้น่นพอยนี่คือกรรมฐานก็ไม่คิดเราเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปเปลี่ยนทางสติปัญญาเปลี่ยนจากนิจใจนั่นจะให้หลงคมขืนตัวเองจะให้โกรธก็คมขืนตัวเองจะให้ทุกข์คมขืนตัวเองมันเอาไม่ได้ก็ไม่ทุกข์มันมีก็ไม่โกรธมันมีก็ไม่หลงมันมี มีจิตที่ทำอะไรจะไปหมกบุญอยู่กับสิ่งกปกคิดหน่อยไม่เอาอนชื่อวความทุกข์หน่โชว์นิดหน่อยไม่มีห้วออกทันี้เลยมันจึงมีบิทธส์เห็นทุกข์เป็นของเป็นการเห็นจากบิทธส์ไม่ใช่เห็นที่ไหนเพราะมัน มันพ้นจากทุกไม่ใช่เรื่องธรรมดามันมีมีประโยชน์มีค่าตรงนี้ชีวิตของเราเนี่ยแล้วก็ทุกคนก็ทำได้ให้ให้ออกกรรมฐานเนี่ยฝึกไปฝึกไปเมื่อเหมือนเป็นแล้วทำให้เป็นเป็นแล้วต้งเเป็นไปเลยไม่รู้จะลืมแล่เหมือนการท่องจำ วิชาการท่องจําเนี่ยมันลืมเป็นวิชาที่ทําให้เป็นมันลืมไม่เป็นรูปมันก็เป็นรูปน้ําก็เป็นน้ำมันจริงแบบนั้นไม่จริงแบบนั้นตัวาปเที่ยงก็จริงแบบนั้นควมามทุกข์ก็จริงแบบนั้นควมไม่ใช่ตัวตนก็จริงแบบนั้นแต่เราจะไปเอาอันทำมาแล้วก็มันก็สิงเหล่านี้มันสามารถทําได้แล้ว เราก็ดได้ชีวิตเหมือนกับว่าเรามีชีวิตแาว่าไม่เป็นอะไรคือชีวิตของเราแต่ก่อนสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ไม่ใช่ชีวิตพอมาเห็นเนี่ยมันไม่ไม่เป็นนี่ยมันเป็นชีวิตกรรมฐานเป็นคู่ชีวิตของเราเราได้ชีวิตเพราะกรรมาฐานเนี่ยชีวิต น, นี้่ชีวิต น, นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันชีวิตที่ได้รูปเลยนามเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มาจากเหตุปัจจัยบิดามารดาให้กับเรากําเนิดเกิดมาเพื่อให้ได้ชีวิตอันส่วนนี้ถ้าไม่มีรูปไม่น้ำก็ไม่ได้ชีวิตส่วนนี้ไม่มีรูปไม่น้ำก็มีมรรคผลนผิพพานรูปนามเนี่ยทําให้เกิดมรรคผลนผิพพานได้มีเท่านี้ไม่มีอะไรขอบคุณ พอคนเจ้วได้ชีวิตมาเนี่ยมือห้านิ้วสิบนิ้วกายใจของเราได้มาจากวิรามานตะเอามาทําความดีเอามาให้เกิดมาเกิดผลจนเธอได้ชีวิตเนี่ยชีวิตนี้เป็นชีวิตอมาตะถ้าเราไม่ได้ชีวิตแบบนี้เราก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับ <c oughs> หน่อยเพล่บร่อยชาติ สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์หลงเป็นหลงโกรธเป็นโกรธเล่าเป็นเล่าเกลียดชังเป็นเกลียดชังพอใจไม่พอใจร่ำเหลวทักนั้นที่ย์เดียบนั่นะแล้วเราไม่เป็นอะไรมีคิดวิธขึ้นมาเนี่ยเหนือก็เกิดเจ็บเจ็บตยมันจะขโมวดมาให้เห็นอะไรที่มันอยู่ในกองลูกกองนา้ามันคืออะไรบอกหมด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 พยดว่าตัวเนตนเราไปทุกข์เพราะเราหลงเพราะเราไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนทุกข์ของเราทุกข์ของเราถ้าเรามาเห็นแล้วมันไม่เป็นเนี่ยมันไม่ชีวิตจริงๆตรงเนี้ยเจึงได้กรรมฐานจึงได้ชีวิตคู่ชีวิตได้ชีวิตขึ้นมาเออเนี่ยที่เรื่กรรมฐาน ไม่มีวิชาอื่นใดในโลกเนี่ยที่จะให้ทำให้เรามีชีวิตได้เป็นอมนตะไม่เปลี่ยนแปลงก็ เ, เห็นล้าทุกอย่างอะไที่ไปลูกไม่มีอันเกี่ยวกับลูกตามเนี่ยลูกหมดลูกครบรูปท่วนที่จะก็ไม่มีอะไรเหนือการเกิดเจเจ็บตาย ไม่มีใคยเจ็บไม่มีใครเจ็บไม่มีเคยตายเป็นธรรมชาติชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอะไรมันเป็นจังหวัดของส่วนตัวของใครของเราเป็นกรรมที่เราต้องสร้างขึ้นมาชีวิตของเราก็พร้อมแล้วในเรื่องแนวทบที่สุดทที่เจะ ศึกษาเหลียนรู้เรื่องนี้ปฏิบัติให้ทำให้เป็นเรื่องนี้กันมันไม่ยากเริ่มต้นก็มาถานมีสติทุกคนทำได้มีสติก็มีตรงตร ง, งู้งูอนุบาลไปก่อนเคื่อน่หอเคลื่อนไหวสร้างจังหวะให้รู้ถ้าไม่รู้อย่าไปทำมันจะเสียนิดใสเดินจงกรมให้รู้ พอรู้กายก็ไปรู้จิตมันมีอะไรเกิดขึ้นขนาที่มันเห็นกายน่มันก็มีหลงมันก็มีหลงนั่นแหละคู่กับรู้งานก็เราก็มีอย่างนี้เวลามันหลงให้รู้เนี่ยมันก็ไ่ยากมันถูกต้องมันชอบมันตรงเวลามันหลงมันรู้มันตรง อะไรที่ไม่ใช่ลู้เปลี่ยนไม้เป็นลู้มันตรงลู้เรื่องเรือเนี่ยฉลุไปได้ทุกอย่างเรียกว่าปฏิบัติต ร, ตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติสม่ำเสมอในความหลงก็ลู้สม่ำเสมอจนทำให้เป็นทีนเรียกว่าหัดหัด มีที่ตั้งมีกรรมฐานมีที่ตั้งเคลื่อนมือเข้ายกออกรู้อยู่เนี่ยเวลาราหลงกัรู้อยู่เนี่ยตั้งไว้ตรงนี้กรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งมีที่ตั้งมีการกระทำการกระทำคือให้รูอ้อยู่ยบ่อยๆรู้อยู่บ่อยๆขยันรู้บ่อยๆเรียกว่าภาวนาใหม่เป็นที่เกิดแห่งวุญ ศีละใหม่รักษากายวาจาการน้อยใหม่ให้ทานจิงของแบ่งปันวัตถุจึงของเพราะนั้นก็ที่เกิดแห่งวุญแต่ภาวนาใหม่เนี่ยเป็นวุ่นมันสูงสุดชั้นชั้นสูงมันเปลี่ยนหลงเป็นรูเนี่ยเนี่ยนนชัช้ น, น, น, นสูงที่สุด เปลี่ยนทุกเป็นรู่ชั้นสูงสุดเป็นการทาบนสูงสุด <c oughs> เป็นทุกเป็นรู่เปลี่ยนอะไรเป็นรู่เนี่ยเป็นการที่สุดยอดของความดีไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกว่านี้ทุกคนก็มีหลงแต่ทุกคนเวลาหลงไม่เคยเปลี่ยน หลงเป็นหลงเขาก็เลยไม่ได้ประโยชน์ถ้าหลงเป็นรูกมีประโยชน์มากมากถ้าทุกข์เป็นรูกมีประโยชน์มากเอาไปเปลี่ยนอันทุกข์อันหลงอันโกรธอนโลภต่างๆไม่ใช่เลือกที่ไม่ใช่เลือกเวลาไม่เลือกคนหนุ่มคนแก่คนหญิงชายนักบวชหรือครวาสรัฐที่ศาสตร์ใดชาติใดเลยใครก็เหมือนกันตรงนี้ ต้องคีวิตก็เหมือนอยู่ตรงนี้เหมือนกันนี้มันเป็นสากลอันความลูกก็เหมือนกันหมดถ้าเปลี่ยนหลงเป็นลูกก็ทำเหมือนกันหมดเปลี่ยนโกรธเป็นลูกก็ทำเหมือนกันหมดจะจะทำต้องเป็นอย่างเดียวกันนี้ไม่ใช่เป็นอย่างอื่นมันจังไม่ไม่เหลือวิสัยที่เราที่ทำไม่ได้ ปฏิบัติได้ให้ผลได้เวลามันหลงเปลี่ยนหลงได้อยู่เวลามันโกรธเปลี่ยนโกรธได้อ ย, ย, ดดอยู่เวลามันทุกข์เปลี่ยนทุกข์ได้อยู่างคนทุกข์เป็นสังขานจริงใดเป็นสังขานไม่ควรคิดว่าเราว่าของเราเปลี่ยนได้ ถ้าบางคนไม่เปลี่ยนเอาไปเป็นอุปทานยึดไว้ในความทุกข์ยึดว่าในความโกรธยึดว่าในความพอใจไม่พอใจเนี่ยอุปทานขันธ์หน้าเป็นทุกข์เปลี่ยนได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่ย อ, ยอุปถาว่าจะทำเมนโน่เนี่ยมันยึดไว้เฉยๆว่าคิดต่ว่าโลชันติวางซะวางสา เตะสัูปจมสุโขทวารแล้วจะเป็นไม่ทุกไม่หลงไม่โกรธบองสุขุนตัวเองอย่าให้หลงตาไปบ้งสุขุนให้บ้งสุขุนตัวเองเวลามันหลงความหลงเกิดขึ้นเราจะเราหนอความทุกข์เกิดขึ้นเราจะเราหนอเพราะเราไปยิดว่าเราทุกเป็นผู้ทุกไม่ใช่เห็นมันทุก โอะชิตตาว่าเนี่ยเห็นมันทุกเต๋สองบไม่เป็นผู้ทุกแล้วเห็นมันทุกไม่เป็นผู้ทุกแล้วเต๋สงองโบปัจมโมโยโขในความไม่ทุกมันก็ไม่ทุกก็เรียกว่าความสุขจะเรียกว่าความไม่ทุกก็จบเแค่ น, นั้นเหมืนหลวงตาพูดว่าความสุขของมนุษย์ของคนเน่ยสุขแบบเก่าสุขแบบเก่าชีกขาด มันเป็นโลกมันจึงได้เก่าตอนมันทุกข์คือมันคันตอนมันเก่าคือมันสุกเราขี้กากมันก็มีความสุขเราว่าโลกมันเกิดขึ้นมันคันสุบบุหรีมันคันขึ้นมาตอนอะไสูกมันก็คันมากทนไม่ได้ ต้องสูบไม่รักษาขี้กากให้หายต้องอยากต้องสูบต้องอยากต้องสูบต้องสูบต้องอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากมันเป็นวัตจัเพราะไม่สูบเพไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบรักษาขี้กากได้ หายไปเลยกินหมากากันแนละ้กินเล้ากัากนอะไรที่มันเป็นของที่ไม่จําเป็นข้าวน้ามีความจําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นมากกว่าเดี๋ยวนี้หลบกินไข่ของที่ไม่จําเป็นมากน้ำโคกน้ำแป๊บซี่น้ำอร่อยมีมากเครื่องดื่มมีมาก ชิ้นเปลืองไปเปล่าประโยชน์อันนั้นไม่ใช่อาหารไม่ได้อะไรเลยอาหารได้จากข้าวปลาเป็นเกลิงกระหานเกนลงไปลำคอได้เลือดได้เนื้อได้กำลังพัชอาหารอาหารที่พัะทางตาทา ง, ทา ง, ทางหูจมูกดิ้นกายใจ อาหารอันนั้นไม่ใช่อาหารก็วะลิงกะอาหารเท่านั้นที่เป็นอาหารพัชอาหารคือมีความจำเป็นเช่นดาวขงผ้ามันร้อนกับน้ำสัมผัสแนละ้วมันเป็นการบรรเทาตามเหตุต่อปัจจัยมัน นั่นนี่โลกไปอย่างนี้มันก็เหมือนกันหมดไม่ว่าที่ไหนกรรมาฐานเป็นคู่ชีวิตของเราในเมืองไทยทชากรรมาฐานเหมือนกันหมดต้องมีสติเปลี่ยนหลงเป็นรู่ถ้ากรรมาฐานอันไหนไม่เปลี่ยนหลงเป็นรูกมันก็ไม่ใช่กรรมาฐานไม่มีผลเป็น ตัตดก ร, กรรมเป็นกรรมทีไม่มีผลนั่งหลังโขดต้งองงอจนตายก็ไม่รู้อะไรเห็นพระกรรมฐานเห็นจีญาจารย์ไปนั่งปกถอนงอนไปนั่งปกด้วยกันเขาปกอะไรล่ะเห็นไหมเคยเห็นไหมเขาปกเสกพระเขาหล่อพระเป็นเหมือนๆเฉียน อนุโมนเจียอาจารย์ไปนั่งปกเพรเราเขาก็ถือว่าเราเป็นเจียอาจารย์กันคนหนึ่งซะไปนั่งกับเขาก็จะเขียนที่ไว้นั่งให้อาจารย์โนั้นนั่งตนั่งนีเราไปก็ไปเขาเขียนไปที่ที่นั่งไว้แล้วก็ไปนั่ง แล้วก็นั่งหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกไม่ได้เสกันเราอก <laughs> เข้ารู้สึกบางที่ก็ยกมือเครื่อนไว้จักสิบตัวเนี่ยถ้าเราใจดีแล้วมันก็ไม่เบียดเบียนแล้วจยกเหมือซะอ้่างนี้ว่าบางทีเขาไม่ได้เขาถึงใส่เครื่องอะไรต่างๆมาใส่ตักเราแล้วก็จับได้แล้วก็ แผ่เมตตาสัตว์ทั้งหลายอย่ า, าได้มีเว็นให้บาดเบียดเปลีย น, นกันเลยจำมว้ความไม่ใช่ปะอุบะมันโมขวติมรตนาโคริจกวลานังสาตุพุตตะมุขันโลอนันคาถาไม่ใช่กรรมฐานกรรมฐานต้องอแผ่เมตตาต้องทำใจดีๆนั้นต่างก็นั่งอยู่อาจารย์กรรมฐานมาจากขอนแกนพระเจเจแก่เท่า มีลูกจิดจับปีกมาสองคนมาก็มานั่งใกล้เราเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดสิบปีโยมไม่มาหามันนี่มโนกูมาอะไรมาแล้วไม่ได้มีอะไรน้องตาก็ดูหน้าบูดปูดเอาแล้วพระเจียอาจารย์ ลกแล้วหน้าโวยแดูร้อยดูร้อยไม่มีใครมาหามันหมุนกุมอะไรยังไงไม่มีอะไรตัง้ทงที่เขาให้นั่งแล้วก็ทําเลยจะมีคาถาอะไรก็ว่าหลวงปเลยว่าเสร็จแล้วก็รีบหนีไปอันนี้เมื่อนั่งบนหลวนตาก็มีสติอยู่หลวงตานั่งก็นั่งบนอยู่บนนี่ เลยบอกลูกศิษย์กูมาอยู่ไปพากูไปกับบัดดีกว่าอ้าวหลงตากรรมฐ า, านพระกรรมฐ า, านพระจีจยนทำไมมาโกรธเชน่นี้ไม่ใช่พระแล้วเป็นผีแล้วเนี่ยดีอะไรพระมันต้องใจดีนะอันนี้เป็นผีแล้วหน้าบูบูแบบก็ไม่อยู่จริง ล <c oughs> ูกจี ก, ก็จับปิดลูกขึ้นพาไปเจ้าภาพก็วิ่งมาวิ่งมาเองมาหลวงพอ่อหลวงพอ่อยังไม่ถึงเวลาในหมอนนั่งก่อนไม่กูมไม่นั่งหมอนแล้วไปไปไ ป, ไปขึ้นรถเดียว <c oughs> อะไรแค่หนังโกรธแล้วโกรธแล้วเดี๋วถ้าทางสักจิตนะสัจกจิตอะไร ศักดิ์มันต้องใจดีทำใจร่ายเป็นชนใจดีนี่คือพระอยู่ที่ใจดีดีคือความเป็นพระแล้ใจร่ายก็เป็นผีไปแล้วอะไรศักดิ์สิทธิ์ล่ลเรีบทาก็ไปก็ไปเราต้องออกประจัยตามถวายขึ้นรถไปเลยสงสารเจ้าภาพเขา แล้วก็หน้าเศร้าเจ้าภาพของบรรยากาศไม่มีเลยไม่ดีเลยน้องตาองเดียวกว่าผู้เท่าโดยเจ้าอ่าอะไรคือสักสิทธิ์สักสิทธิ์คือเปลี่ยนล้ายเป็นดีเนี่ยมันจะโกรธเปลี่ยนควบปวเป็นความไม่โกรธเนี่ยมันจะทุกข์เป็นควบทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เนี่ยอย่าเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์อย่าเป็นทุกข์ความโกรธอย่าเป็นทุกข์ความโลภอย่าเป็นทุกข์ความหลง อย่าไปทุกข์ความไม่เที่ยงนั่นแหละคือนิพพานตามความร้อนเป็นความเย็นในความร้อนมีความเย็นอยู่ในความทุกข์มันมีความไม่ทุกข์อยู่จนถึงกับว่าในความเกิดมันมีความไม่เกิดในความแก่มันมีความไม่แก่ในความเจ็บมันมีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายอยู่ที่นั่นแล้วเย็นตรงนั้นแล้ว เตียมอาไว้เตียมเาไว้ชีวิตของเราต้องเหมือนกันหมดนะถ้าเห็นซากศพก็ศพมันบอกเราแต่ก่อนก็เราก็เหมือนท่านต่อไปท่านท่านหลายจะเหมือนเหานี้นี่คือของเกิ่งเพราะนั้นเราจึงลู้วันนี้จะ ในความเที่ยงในความทุกข์รู้เดี๋ยวนี้ในความกระเจ็บตายรู้เดี๋ยวนี้จึงเหนือการกระเจ็บตายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเจ็บใครเจ็บใคตายเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่กรรมาฐานไปสุดสุดเลยสุดแผ่นดินสุดโลกจบแล้วจบแล้วถ้าเราไม่ศึกษาเล้นี่อัะไยชีวิตของเราที่จะมีประโยชน์ อย่าประมาทอย่าเราให้อ้างโน่น อ, นอางนีความหลงมันไม่อ้างเวลามันหลงเที่ยรู้ทันทีหัดไวหัดไวหัดไวเวลามันทุกข์ที่ได้รู้ทันทีเปลี่ยนทุกข์ไม่ทุกข์เปลี่ยนหลงไม่หลงเปลี่ยนโกรธไม่โกรธเปลี่ยนให้เป็นความรู้ทั้งหมดเลยไม่เวเหลือหล่อลมันไม่งอกไม่มีพันใหม่มันคขวัดสองพันห้ารอยสองพันตร อันวัดพันใหม่ข่มโกรธพันพันเก่าข่มทุกข์กับพันเก่าข่มหลงข่มโลกพันพันเก่าอันเดียวกันหมดเลยในโลกนั่ถ้าจะเปลี่ยนหลงก็มีแต่วามโูกอันเดียวขนานเดียวสัจตรราพุทธรัตนังโอสถถังเป็นยารักษาทุกข์ย่ารักษาข่มโกรธข่มโลกข่มหลงนี่คือ สักสิดแบบนี้ถืว่ากรรมฐานนะแล้วต่อจะไปมั่งเลยจะไปสอนธรรมะมัองเลยมันขยายแบบพูดเท่านะอยากใคไปบอกให้ได้บอกเถอะจะทำได้ไม่ได้ถือว่าไม่ใช่ความเปียของเราเราจินข้าวชาวบ้านเราโน้มพิบวรชาวบ้านเราอยู่กติชาวบ้านสร้างให้เราจะไปทำประโยชน์ เดี๋ยวนี้งานเมืองเลยหลวงพ่อเทียนจะไปบ้านพ่อทับแมงขวหลวงพ่อเทียนตายที่นั่นหลวงพ่อเทียนสั่งไว้อย่าลืมทับแมงขัวนะอย่าลืมมัดโมกนะอย่าลืมวัฒนธรรมใ น, นนะก็ไม่ลืม